วิสัญ น, นากับท่านลงานาลงศักดิีนานาโยต่อสมถะและริพันาตอนที่สอใจจะเป็นความว่างเปล่าลิพานังปรมาณูทุกอย่างลิพานังปรมาณูุกครังลิพานเป็นทุกอย่างใจก็เป็นความศูนย์เปล่าจากความหลงฝงแต่ สิ้นความหลงปุงแต่งเกาะ เ, เกี่ยวยึดถือบุพภัณฑ์ใดทั้งหมดทั้งในหน้าที่การงานทั้งในครอบครัวทั้งในการดิ้นหลนค้นหาพรนิพพานเมื่อใจไม่มีเยื่อยายต่อสิ่งใดอยู่กับปัจจุบันสิ้นความปรุงแต่งเกาะเกี่ยวบุพภัณฑ์เยื่อใยต่อสิ่งใดใจก็เลยเป็นความว่างจากการเกาะเกี่ยวยึดถือการเกาะเกี่ยวยึดถือบุพันธนะุ์นั่นแหละมันเป็นเหตุได้เกิดกิเลสเป็นเหตุได้เกิดทุกข์เป็นเหตุได้เกิดตัวตน ถ้สิ้นความเกาะเกี่ยวยึดถือพอัวพันผงแต่ดไปเกาะเกี่ยวยึดถือพอัวพันสิ่งใดมันก็จะสิ้นตัวตนสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์พุทเจ้าตรัสว่านี่เนี่ยพยาคือการบรรลุนิพพานพุทพยะฟังจบก็รบรรลุนิพพานเลยเราจะจะรู้ว่าทําถูกทําผิดที่เราทํานี้มันยั ง, ง, ม, งมุดผิดไม่เลยไหเดี๋ยวจะพยายามทาให้มากเป็นมหาสติไม่ใช่มหาสติเราเนี่ยคือทําไม่เลิก แล้ปูดูนาตรโรเนี่ยที่บอกว่าหยุดกิริยาจิตหยุดปรุงแต่งหยุดคิดหยุดนึกหยุดกิริยาจิตหยุดพยายามทำอะไรเป็นอะไรรักห้านาทีก็จะพบความจริงใครที่อยู่อยากจะรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนั่นแน่เตสังวูปะสมโมสุขโข อนิจจาวัฏสังขาราเวลาตายแล้วไปงานศพเขาจะผ้ามาพาดโดยศพและนิบนุตรพระจะไปชักพระสกุลอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาดวิยาธรรมิโนอุปตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดีแล้วก็ดับไปหายไปจนหมสิน้นทุกคนไม่เหลือรอทั้งตัวเราและผู้ที่ที่เราเอาผ้าไปทอดให้เขา เตสังมูปสโมสุขโขผู้ใดระงับดับสังขารปรุงแต่งนี่ไงดับความหลงเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นสังขารปรุงแต่งไปพยายามทําอะไรเป็นอะไรไปพยายามดิ้นรนยึดถือเกาะเกี่ยวพัวพันสิ่งใดปล่อยวางงานที่ทํำในใจเราเนี่ยใใเตสังมูปสโมสุขโขผู้ใดดับเน่ยเตสังคือสังขารเน่ยดับสังขารปรุงแต่งมีแต่งานงานงา น, งานใจไม่ไม่ ไม่ปลดกเกษียณใจสะกทีปลดกเกษียณแต่กายมาแล้วแต่ใจไม่ปลดกเกษียณเราพิจารณาดูให้ดีครับเราปลดกเกษียณทั้งใจหรือเปล่าพ อ, อจากงานมาแล้วเนี่ยแต่แท้จริงเนีย่ยใจยังเครียดเหมือนเดิมมีได้ดปลดกเกษียณทางใจปลดแต่กายเฉยๆแล้วก็ตายไปโดยที่ใจก็ยังไม่ปลดกเกษียณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ดูใจของตัวเองว่าปลดกเกษียณทางใจหรือยัง นิพพานคือจิตว่างงานปลดเกษียนปลดเกษียนทางใจไม่ใช่ปลดเกษียนทางกายตาเลยถามอีกนิดหนึ่งครับเพื่อจะได้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนทุกขุมคือที่เราทุกคนก็พูดอยู่เสมอนะฮะอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกคนท่องได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เราพูดอยู่เสมอว่าไม่ให้ยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้า ผมเมื่อกี้ที่หลวงตาอธิบายความแตกต่างระหว่างการทำสมาธิในสมาะกับสมาธิในวิปัสสนาคือสมาธิในสมาะเนี่ยเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติในรูปเบทนาสัญญาสังขารจนละเอียดจนถึงอ ร, รูปปชาเลยนะฮะก็มีความสำเร็จในขั้นหนึ่งหลวงตาเลยอธิบายต่อไปว่า ถ้าจะให้เกิดความสาเร็จในวิปัสสนาสมาธิก็คือแม้กระทั่งตัวผู้รู้คือวิญญาณคือการรับรู้เพราะปกติเนี่ยเรามีวิญญาณรับรู้อารมณ์ที่จริงเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมยังเข้าใจคาดเคลื่อนคือแต่ก่อนมัวแต่ไปสนใจแต่ตัวอารมณ์เลยเห็นความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแม้กระทั่งอันละเอียดนะฮะ ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากเกยคล้ายๆกับว่าก็ยังเป็นแค่ความว่างในสมถะนะฮะตราบเมื่อสามารถเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของวิญญาณคือตัวสุดท้ายของขันห้านี่อ่ะคือความสมบูรณ์ในความว่างของวิปัสสนาคือตัววิญญาณเองแท้จริงก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ถูกต้องทั้งคู่ไตรลักษณ์ทั้งคู่เลยวิญญาณในขันห้า เป็นผู้รู้อารมณ์แต่ตัวมันก็ไม่เที่ยงกันใจรักเนี่ยคือความสมบูรณ์ในการปล่อยวางของขันห้าฮะเลยถึงได้เกิดความเข้าใจฮนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ที่เคยเรียนแม้กระทั่งในอรูปฌปานก็เลยมีความเข้าใจผมผมชอบมากเลยที่หลวงตาอธิบายว่าแม้กระทั่งปิติสุขหรือในอรูปฌานทั้งหลายก็ยังเป็นปรุงแต่งอันละเอียดแล้วละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้น แล้วเมื่อจิตไปรับรู้อารมณ์ก็เห็นอย่างสูงที่สุดก็เห็นความอนิจจังทุกขังอันหนาตาของอารมณ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันถึงไม่จบสักทีเพราะตัววิ ญ, ญญาณที่ไปรับรู้ก็ยังไม่ไม่เป็นที่สุดใช่ก็เลยคราวนี้เลยเข้าใจคําว่าปล่อยวางในขันห้าอย่างชัดเจนนะฮะต้องปล่อยวางผู้รู้ด้วยแต่ก็มันก็จะต้องรู้อยู่เพราะไม่ตาย ขันหน้าไม่ได้ดับเนี่มันต้องรู้ทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้งกายใจมันเป็นวิญญาณในขันหน้มันยังไม่แตกดับในขันหน้ายังไม่ตายก็ต้องรู้คนอยู่อย่างนั้นแหะแต่ไม่มีผู้มายึดสิ่งที่ถูกรู้แล้วม่ยึดเอาผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้มันก็เป็นลูกเวทนาสัญญาสังขารผู้รู้ก็วิญญาณในขันที่ห้าเอ๊ยขันทั้งห้าไม่มีผู้ยึดปุ๊บมันก็พ้นทุกไปพ้นจากสังขารไปพ้นจับสังขารคือขันห้าคือรูปธรรมกับนามประทามจะหมดสิ แต่ก่อนเนี่ยยังยังเก่งก็แค่ดับอารมณ์ที่รับรู้ก็ เ, เป็นว่างจากการดับอารมณ์นะฮะถูกต้องมันยังไม่สมบูรณ์ไงฮะจนเราทั้งวิญญาณก็เห็นความเป็นอนิจจังการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณและอารมณ์ที่รับรู้ก็เคยขาดกันอย่างสมบูรณ์ว่างแบบสมบูรณ์แต่ครับที่ผมติดก็คือตรงนี้อฮะอาจารย์เาสังเกตดูซิ หลวงพ่อเทียนจิตตสุโพอ่ะท่านก็รู้อารมณ์รู้อารมณ์ละอารมณ์รู้อารมณ์ละอารมณ์รู้ทุกคิดละทุกคิดหลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้อารมณ์ละทุกอารมณ์รู้ทุกคิดราทุกคิดราทุกคิดรู้ทาอารมณ์โอ้โหจนต้องสามารถเห็นทุกคิดราทุกคิดหลวงพ่อเทียนนะนะโอ้โหเห็นอยู่เงี้ยหลายวันหลายคืนแต่ท่านละแต่อารมณ์ที่ถูกรู้คือความทุกอย่างที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์หมดถูกรู้ทางตาถูกรู้ทางหูถูกรู้ทางจมูกถูกรีดทางกายถูกรีดรู้ทางใจ อะไรที่รับรู้ได้ทั้งหมดนี่ว่าอารมณ์หมดนะอสิ่งที่รับรู้ทางตาก็เลยคือรูปเรียกว่ารูปอารมณ์เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าอารมณ์หมดเลยอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอารมณ์หมดเลยคือเป็นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่ใจรับรู้ได้เรียกว่าอารมณ์หมดนี้ไอตัววิญญาณเนี่ยในขั้นที่ห้ามันก็มันเป็นผู้มารู้ตคนนี้หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านรู้แต่สิ่งที่ รับรู้โยกทั่งท่านรู้ละเอียดที่ไปของสิ่งที่ถูกรับรู้ละเอียใจก็คือความคิดเนี่ยเพราะความคิดนี่มันละเอียดมากแล้วรู้ทุกคิดหลวพ่อเทียนรู้ทุกคิดรู้อย่าเงี่ยหลายวันหลายคืนรู้ทุกคิดรู้อารมณ์ด้วยอย่างอื่นก็รู้ด้วยแหละเวทนาอะไรก็รู้ด้วยแต่ท่านรู้ทุกคิดหลวงพเทียนเนี่ยก็จะจะรู้เวทนาเพราะว่าท่านโอ้โหรู้ตั้งวันทั้งคืนเนี่ยต้องเมื่อยต้องปวดแต่ท่านไม่สนใจเพราะว่าท่านมุ่งแต่รู้ทุกคิด อย่างอื really ่นถ้าก็รู้ด้วยโดยไปยายไม่ใช่ว่าจะไม่รู้แต่ถ้าไม่สนใจไงแต่เพราะว่าท่านมุ่งสนใจจะรู้ทุกคิดเนี่ยคือต้องมุ่งรู้จิตเนี่ยคือผ่านกายผ่านเวทนาแล้วมาจิตเลยท่านมุ่งรู้ทุกคิดแต่ที่ท่านรู้ทุกคิดอะไม่ใช่ว่าตาท่านไม่เห็นรูปนะหูไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงถ้าก็ดีเห็นรูปอยู่ได้ยินเสียงอยู่สัมผัสอะไรก็รู้อยู่กินข้าวแวะอพักมากินข้าวกินน้ําก็ต้องรู้อยู่อากาศร้อนอากาศเย็นก็ต้องรู้อยู่ กายเดินไปเดินมาเนี่ยก็ต้องรู้อยู่กายนั่งก็ต้องรู้อยู่กายนอนก็ต้องรู้อยู่ก็ต้องรู้กายรู้เวทนาอาการทางกายอาการทางใจก็ต้องรู้อยู่คือไม่สบายกายไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวที่เราพูดกันเนี่ยสบายกายสบายใจสบายเนื้อสบายตัวมันเป็นสุขเวทนากับทุกขเวทนาเนี่ยถ้าสบายมันก็เป็นสุขเวทนาไม่สบายมันก็เป็นทุกเวทนาถ้าก็รู้อยู่แต่ท่านไม่สนใจตัวนี้ท่านมุ่งไปรู้จิตที่คิดทุกคิดเลยแล้วถ้าก็รู้ใลยทุกคิด พรท่านเพียนฝึกอย่างเงี้ยจนกระทั่งสามารถรู้ได้ทุกคิดแต่ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ไปยังไงหรอกต้องไปยังไงถ้าก็รู้ทุกคิดอยู่นั่นแหละรู้ไปเรื่อยๆวันนึงท่านบอกว่าเวลาประมาณสักหกโมงเย็นอนะโพเพโพเ พ, เพกําลังที่ท่านเดินไปเดินมารู้ทุกคิดเนะี่ยไม่รู้ว่าใครมาม า, มาสุกท่านใช้ภาษาอีสานะ่ะสุกซุกเอ๊ซุกสีข้างท่านอนะเซไปข้างหน้าเลยซุกเหมือนกับมายันนะมายันมาผัก ท่านเสไปข้างหน้าถลําไปข้างหน้าเลยเฮ้ย ใ, ใครมาผักเราเนี่ยท่าก็หันไปหาคนผักทัานหันไปหันมาเอ้หาคนผักไม่เจออยู่ตัวคนเดียวแต่หาคนผักไม่มีมันโชว์เพลสแล้วด้วยไม่มีคนผักไม่รู้ใครผักท่านตอนนั้นน่ะท่าก็หาคนผักไม่เจอพอหาคนผักไม่เจอท้าก็เริ่มมาลุกความคิดใหม่ทุกคิด พอเริ่มต้นมารู้ความคิดใหม่เช่นั้นเนี่เสี้ยววันนีท้ที่เริ่มต้นมาดูคิดใหม่เนะี่ยตกใจเลยอ่ะอะ้าเมื่อกี้ตอนที่ไปหาคนผลักเนี่ยมันไม่ได้รู้ความคิดแล้วนี่พอมันจะเริ่มลุกทุกคิดใหม่เนี่ยเนี่ยต้องที่รู้มาตั้งมาหลายวันหลายคืนเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้รู้เนี่ย เ, เป็นความปรุงแต่งคือวิญญาณในขันที่ห้าเนี่ยมันเป็นผู้ปรุงแต่ง แต่ไปปล่อยวางแต่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยปล่อยวางทุกคิดจนถึงปล่อยวางกายเวทนาจิตปล่อยวางได้หมดเลยแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยก็ปุงแต่งเพราะตอนเขาไม่เห็นว่าท่านเนี่ยหลงอยู่นั่ไม่รู้ตัวไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้เขาเลยยันโครมให้เลยไม่รู้ว่าใครมายันท่านเลยเซไปข้างหน้าแล้วก็อยตกใจหันไปหาใครมาผักเราอ่ะใครมาใครมาซุกเราเราอยู่ในป่าคนเดียวใครมาซุกเราเนี่ยโครเพปรี้ยวเลย หาไงก็หาไม่เห็นออืหาไม่เห็นก็แล้วไปเริ่มจะมาดูความคิดใหม่ตกใจเลยเอ้าเอ๊ะไอ้ผู้รู้เนี่ก็ไม่เที่ยงนี่เมื่อ ก, กี้เนี่ยมวตหันไปดูคนเอาผักมัญหาไม่ไม่มัลืมดูรู้ไปแล้วท่านบอกว่ามวตหันไปดูคนผักเนี่ยลืมรู้ความคิดไปแล้ว แล้วพอจะมาตั้งใจที่จะรู้ความคิดใหม่อา้าวการที่จะมารู้นี่มันต้องตั้งใจต้องจงใจต้องเจตนามันเป็นปรุงแตง่งอ๋อก็ปรุงแต่งปุ๊บมันต้องอาศัยสังขารปรุงแตง่งแล้วผู้รู้มันจะเกิดไงมันต้องอาศัยตั้งใจเจตนาหรือพยายามที่จะรู้ก่อนคือต้องอาศัยสังขารความคิดปรุงแต่งมาตั้งใจเจตนาจงใจขึ้นมาสัก่อนหรือพยายามที่จะรู้สัก่อนและผู้รู้มันจะมารู้อา้าวดันั้นในผู้รู้มันก็อาศัยความปรุงแต่งนี้เอง่ะ อ๋อมันหายไปแล้วตะกี้มันหายไปหมดเลยมันมันลืมตั้งใจที่จะรู้ความคิดหมดจะไปหาคนผักตั้งไอ้ความคิดตั้งใจที่จะรู้ก็หายไปไอ้ผู้รู้ก็หายไปเพราะฉั้นไอ้ผู้รู้มันเกิดเพราะว่ามันเริ่มกลับอาจจะตั้งใจดูใหม่ตั้งใจดูความคิดใหม่เจตนาจะดูความคิดใหม่พยายามจะดูความคิดใหม่อ๋อไอ้ผู้รู้กับไอ้ไอ้จิตที่ปรุงแต่งมันก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันเลยเนี่ยมันหายมันก็ดับไปด้วยกันเลยเนี่ยโอ้ยไอ้ ไอ้ผู้รู้ไอ้จิตปรุงแต่งมารู้เนี่ยมันถึงมารู้ไอ้ผู้รู้ถึงตามมาเนี่ยมันเป็นของคู่กันเลยเนี่ยสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันไอ้ความรู้อันเนี้ยมันปรุงแต่งสติมันอาศัยสติคือตั้งใจจงใจเจตนาที่จะมารู้ไว้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไงอ๋อมันคอยมีความตั้งใจไงตั้งใจที่จะรู้ที่ใจดูที่ใจละที่ใจมันเลยไอ ไอ้ความรู้เลยมันรู้เรื่องที่ใจรู้ประตูใจมันเป็นวิญญาณในขันที่ห้ามันก็เลยมารู้ที่ใจเพราะว่ามันตั้งใจมารู้ที่ใจวิญญาณก็ Lup, เลยรู้ที่ใจเพราะมันตั้งใจจะมารู้ที่ใจวิญญาณในในขันที่ห้ามก็เลยรู้รู้ทุกคิดได้เพราะมันตั้งใจจะรู้ทุกคิดวิญญาณก็เลยรู้ทุกคิดได้พอถูกผ่าปุ๊บหันไปอ้าวตั้งความตั้งใจที่เป็นสติก็หายไปพอตั้งใจที holders, ่จะเจตนาจงใจเจตนาพยายามจะรู้ก็หายไปไอ้ผู้รู้วิญญาณก็ไม่รู้แล้วมันหมดแต่ไปหา มันไปหายไอ้ผู้ที่ผักมันไปรู้ไอ้ผู้ที่ผักนั้นไปด้วยผู้ที่ผักนั้นเนี่ยจึงรู้ว่าไอ้สติกับไอ้วิญญาณในขันธิฆ่าเนี่ยไอ้สติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นตัวฟุงแต่งอาศัยการสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสติอยู่ที่ไหนความรู้ที่นั่นความรู้ไหนสตินั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันน่ะคือมันมีสติมันก็เลยสติอยู่ไหนก็เลยรู้ตรงนั้นเนี่ยแต่มันเป็นความฟุ้งแต่งอาศัยความฟุงแต่งไว้พอเขาผักโคมเลยหายไปเลย จึงรู้ว่าไอความปรุงแต่งรู้ครั้งปรุงแต่งแล้วผู้รู้เนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งคู่ส ต, ติและความรู้เนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งคู่เพอาส ต, ติมันตั้งที่ไหนไวิญญาณในขาดที่ห้ามก็ไปรู้ที่นั่นแน่มันก็เลยไม่ของไม่เที่ยงทั้งคู่มันหายได้ละได้พอขาดเจตนาที่จะมารู้ตรงนี้มันก็เลยหายจากตรงนี้ไปอ๋อท่านเลยละได้เลยแล้วก็ลองทําใหม่ลองทําเล่นใหม่เออลองทําเจตนาจะรู้แล้วก็ <c oughs> ไปดูที่อื่นไม่รู้คมันก็หายไปแล้วเจตนาที่จะรู้มันก็เลยรู้เออรู้ความคิดแล้วก็ไม่รู้ไปไปดูที่อื่นซะมันก็ไม่รู้แล้วอเทั้งไอ้สติที่ตั้งใจจะมารู้และไอ้ไอ้ความรู้สติไหนความรู้ที่นั่นมันมาตั้งที่ใจมันเลยรู้ความคิดในทุกความคิดพอเราไปรู้ที่อื่นสิอ้าวมันก็หายไปทั้งคู่เลยทั้งไอ้สติและความรู้มันอยู่ในกันมันเลยเราไปตั้งใจที่จะไปดูอย่างอื่นมันก็เลยไปรู้อย่างอื่น เนี่ยเราหันไปตั้งใจจะดูเจดีมันก็ไม่รู้เรื่องเจดีเลยโอเราตั้งใจจะดูเจดีกันมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้เรื่องที่เจดีเลยเนีพอเราตั้งใจจะดูคนนี้มันก็เลยไปตั้งอยู่ที่คนนี้เอเราตั้งใจจะดูคนมันก็ไปรู้คนเราตั้งใจจะดูรถมันก็ไปรู้รถเนี่ยเราตั้งใจจะดูเจดีมันก็ไปรู้เจดีเราตั้งใจจะดูต้นไม้มันก็รู้ต้นไม้เราตั้งใจดูกระลอกเผือกเต็มวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็ไปรู้เรื่องกระรอกเปลือกมันตั้งใจจะรู้อะไรอ่ะมันเป็นตตตตััวป่งงงงแ้ใใจจจจเนาาาพยยม มันคือความปรุงแต่งหมดเราตั้งใจที่จะรู้อะไรมันก็เลยไปรู้เรื่องนั้นแต่ตอนฝึกเนี่ยถ้ามันไปรู้เรื่องอย่างอื่นมันไปพ้นทุกมันต้องมารู้เรื่องของใจตัวเองมันถึงก็พ้นทุกก็คือละเอียดที่สุดก็คือความคิดไงเพราะว่าหลังคาที่ละเอียดที่สุดก็คือความคิดมันเลยต้องตั้งใจมารู้ความคิดพอตั้งใจมารู้ความคิดเออมันเลยไม่ไปติดกับความคิดเพราะมันชอบคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกมันเลยหลุดจากความคิดปรุงแต่งไปได้ พลุดจากคำคิดปรุงแต่งไม่ได้มันไม่หลุดรู้มันก็คาอยู่น่แน่ะมันก็ไปยึดเอารู้ซะอีกมันเห็นทุกคิดไปติดไปเห็นทุกคิดไม่ติดไปแต่มันไปยึดรู้ซะเลยโดนยันโครมเลยอทั้งสติทั้งผู้รู้หายหมดเลยหมดแต่ไปหากันอื่นเลยสติมันไปตั้งที่อื่นหมดเลยอ้าวสติตั้งที่ไหนผู้รู้อย่างนั้นจึงรู้ว่าสติกับผู้รู้มันปรุงแต่งที่วะเนี่ย เลยปล่อยวางแล้วกับลูกอรหันเลยผู้เทียนนี่ ย, ยคือการปล่อยวางขันห้าท่านเขียนหนังสือมาเยอะแล้วนี่เนี่ยที่สุดมันต้องปล่อยวางตาลดาเขาก็มันอย่างนี้เนี่เราอยากให้ท่านเนี่ยรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงจะในตัวของท่านเอง แล้วท่านจะมีประโยชน์ต่อโลกต่อศาสนามากเลยความรู้ความเห็นของท่านเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อคนอื่นเพราะท่านมีความรู้คนรู้จักท่านเยอะอ่านต้ตัวท่านเองปล่อยวางขนาางันท่าได้หมดสิ้นทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วผู้รู้ท่านเกิดจะมีประโยชน์ต่อโลกศาสนามาก เรจึงพยายามเพี่ยนอธิบายให้ละเอียด เ, เ, เข้าไป เ, เข้าไปแม่แม่ถท่านอยางสงสัยอะไรไม่ชัดเจนถึงใจท่านราบเราได้หมดทุกคําถามมีคําตอบเพื่อประโยชน์แห่งโลกเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งโลกแห่งธรรมแต่ท่านเปลี่ยนไปเยอะมากเลยถึงเวลานี้เข้าใจถึงการปล่อยวางขัดหน้าเตสังวุปสมโธทุโขเนี่ย ผู้ใดล้วครับดับสังขารปุงแต่งที่ไปยึดถือขันห้าจะได้ผู้นั้นจะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนี่แหละคือพระนิพพานดาเดี๋ยวไดม ใ, ให้ก็ถามต่อเลยนะ พอดีไปอ่านเอกสารหรือหนังสือฮะแบบในโลกตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจาศาสนาพุทธในมหายานแล้วก็ในมหายาณ น, นี้ทุนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องสุญญาตาความว่างซึ่งเป็นผลแล้วคนส่วนใหญ่ก็พยายามจะเข้าถึงความว่างเข้าถึงความสุญญาตาแม้กระทั่งเข้าถึงความเข้าใจแต่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้นะฮะ ก็เลยเห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยความจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้นะนะฮะแลวถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่สองส่วนคือกระบวนการเรียนรู้และก็สาระการเรียนรู้ไอกระบวนการเนี่ยก็คืออย่างเช่นหลักการในเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของใจสิกขาเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้เป็นกระบวนการ ส่วนสาระการเรียนรู้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆในคําสอนเรื่องของขันห้างเรื่องของปฏิจจสมุทบาตเรื่องของอะไรต่างๆคือที่จริงถ้ามนุษย์เราสามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ได้ก็สามารถเข้าใจในสาระได้แล้วถ้าเข้าใจอย่างที่เมื่อกี้หลวงตอธิบายอย่างนี้เพราะคือในใ น, ในอดีตที่ผ่านมาโปรตวัติส่วนใหญ่เขาจะอาจจะเป็นเอกสารหนังสืออะไรอย่างนี้ฮะไม่ได้ มีความชัดเจนจากประสบการณ์งั้นพอถึงตอนรายละเอียดที่จะเนี่ยจุดที่เปลี่ยนระหว่างจุดหนึ่งไปอีสภาวะธรรมหนึ่งมันถึงเข้าใจยากอะฮะเลยเล ย, เลยต้องขอบคุณหลวงตา ท, ท, ที่ช่วยอธิบายได้ชัดเจนมากๆเลยฮะและโดยเฉพาะแม้กระทั่งการปล่อยวางการดับของวิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยที่จริงตอนการปล่อยวางขนาดน้ำเนี่ยทั้งอารมณ์และวิญญาณดับไปทั้งคู่เลย นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงถูกต้องจริงไม่มีใครเป็นอะไรไงไม่มีใครบรรลุถึงอะไรและไม่มีใครเป็นอะไรมีแต่ธรรมชาติที่ไม่มีใครยึดถือซึ่งกันและกันนั่นแหะคือธรรมชาติธรรมชาติเขาอยู่ก็ไม่ได้ยึดถือซึ่งกันและกันแสงแดดก็ไม่ได้ยึดถือต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ได้ยึดถือแสงแดดแต่เขาก็เป็นธรรมชาติ ติดต้องพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่ไม่ยึดถือซึ่งกันและกันธรรมชาติของน้ําของลมของไฟของอากาศของทุ ก, ทกสรรพสิ่งมันอิ่งซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันแต่ไม่ยึดถือซึ่งกันและกันเมื่อใดเนี่ยเราเข้าใจถึงธรรมชาติของขอันห้กากันแบบเดียวกันในร่างกายในจิตใจเราเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติภายนอกและธรรมชาติของตัวมันเองก็ต้องพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันคือส่วนที่เป็นของแข็งจะอยู่ได้ก็ต้องมีของเหลวที่เป็นตัวน้ำ สารอาหารเป็นตัวนําแร่ธาตุให้เข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายได้มีาธาตุลมหายใจเข้าไปเออกเสียนเข้าไปเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายมีาธาตุฝ่ายความร้อนควมอบุ่นมีาธาตุรู้สามารถให้รับรู้ทางตาอุจจาระวินใจได้เราจึงกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตได้แต่ชีวิตก็ไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตที่เป็นชีวิตที่เป็นเป็นตัวเป็นตัวจริ ง, งๆจางคือเป็นาธาที่มาประสมกันแล้วก็แตกตักไปเป็นธาตุที่อิงอาศัยกันจนกว่าจะถึงเวลาที่แตกตักไปเลยจึงแม้แต่ ยังไม่ตายแต่เข้าใจหมดแล้วสิ้นความไปหลงยึดมั่นอะไรแล้วก็เพียงแต่ว่าทําหน้าที่ของมันไปตามเหตุตามปัจจัยตามประโยชน์ไม่จะเป็นโทษแก่ใครทำตามประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เป็ น, ปนโทษแก่ผู้อื่นอีกต่อไปอนันก็อาศัยขันห้าเนี่แหละคือร่างกายที่เป็นธาตุนน้นามลมไฟแล้วก็นามาขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดอารมณ์่างๆที่ทําให้เราติดต่อสือส่อสารกันได้ แล้วก็การรับรู้ต่างๆของจิตวิญญาณใจก็ยังต้องรับรู้อยู่สิ้นยึดแล้วไขันห้ายังทําการตามปกติแต่มันไม่ทํางานเพื่อกิเลสตนซะแล้วมันทํางานเพื่อประโยชน์แก่โลกประโยชน์แกผู้อื่นเท่านั้นจนกว่าจะิ้นอายุไขไปก็แกตกดับไปตามสมควรตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสิ้นหลงซะแล้วมันก็ไม่ไปรวมตัวไปยึดอาจับอะไรอีกต่อไปเพราะมันสิ้นการจับแล้วมันจึงหมดตัวจับมันก็ไม่มีตัวไปจับอะไรมันรวมตัวให้เป็นอะไรต่อไปนั่นแหละก็คือ กับพื้นหายไปในธรรมชาติใจกักรวาลไปเป็นทัดใครทัดมันไอ้าดัดดินก็เข้าไปเผาก็ไปขี้เท่าไปเอาไปลอยอังคาร์เขาก็เอาไปสูบเอาไป ه, พอวันน้ํามันตัดออกม า, ม า, ม, ามาอยู่ชายหาดคนก็เหยียบย่ําไปมาเป็นดินไปสูบเอาไปถมถนนปลูกบ้านมันเนี่ยดินก็ฝอายขี้เถ้าเราเนี่ย ไ, ไอ้ทัดน้ําก็ละเลยไปในอากาศพอเผาแล้ว น้ำในร่างกายเราก็เลยไปในอากาศอกเป็นฝนลงมาคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็กินไปอยู่ในร่างคนอื่นต่อไปจะเหว่าเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยไม่ได้เป็นของใครเป็นของสาธารณะทธาตนะลมหายใจออกไปพอเราตายแล้วคำแล้ออไฟ อ, อุ่นก็ออกไปมันหายไปในอากาศคนอื่นก็หายใจออกไปอยู่ในร่างคนอื่นต่อไปสัตว์ก็หายใจต่อไปมันเป็นา ธ, าธาตนะุสาธารณะธาตุลมมันก็ออกไปทธาตไฟนความร้อนก็ออกไปมันก็อยู่ในความร้อนในร่างกายคนอื่นต่อไปของสัตว์อื่นต่อไปมันเป็นธาตุสาธารณะ เหลือแต่ธาตุรู้มันก็เป็นธาตุว่างธาตุรู้เป็นความว่างมันเป็นธาตุจิตใจธาตุว่างมันเป็นธาตุรู้มันก็เป็นความว่างหายไปอยู่ในตัวของคนตัวทุกคนเ่ในร่างกายทุกคนก็มีมีความว่างในจิตใจทุกคนก็มีความว่างในธรรมชาติก็มีความว่างมันเลยไปอยู่ในทุกที่เพอาธาตุรู้ก็เลยไปอยู่ในทุกที่ไปเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ดี่เกิดเป็นธาตุขันธ์พุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกองค์เหมือนกันงนั้นท่านได้กล่าวว่า เออพุทธะหรือธาตุรู้อะไรมืนมันอยู่ในหมดนะในสรตว์ในฌานเปลนสุรกายไม่ได้ยิ่งใหญ่อยู่พระเจ้าแล้วยิ่งใหญ่อยู่ในสัตว์ในฌานกระเจอยลอยมันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันไม่รู้มันหลงแต่มันมันที่หลงแล้วมันก็เลยเป็นธาตรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆที่ว่าได้แต่รับรู้แล้วไม่ยึดกันได้แต่รับรู้แล้วไม่เข้าไปยึดอะไรให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นรักเป็นชังมันทบเป็นนาทบทวนได้ดีนะ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อโลกคือโลกทั้งสามด้วยไม่ใช่โลกมันทุกอย่างเดียวโลกสวรรค์อินพรหมยมยัสนาคุณมนุกคน์ควรตามสมปตว์ทั้งหลายพุทธิส่นยย็ดแล้วธาดรูเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจั ก, กรวาลที่ไม่มีขอบเขตเรามีความเจตนาเจตนาดีแผ่เมตตาปรารถนาดีไปได้ทุกโลกกัณเพราะมันไม่มีขอบเขตแล้ว กับไปสู่จิตดั้งเดิมแท้ซึ่งเป็นความว่างอันเดียวกับจักรวาลเดิมนั้นทุกโลกกธาตุไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกล้วนอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่าอยางนี้หากใจเราเขา้าถึงฌานรู้ที่เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลแล้วไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใดด้วยเจตนาของเราอาศัยขันธ์ห้าที่เป็นเจตนาดีมเมตตาเนี่ยแหนะใช้เมตานะเมตาออกไปก็จะไปด้ยทุกโลกกัลธาตุแน่ๆมันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้นในทุกแดนโลกกธาตุ พิจารณาตรงที่เราสอนให้ดีจะเป็นประโยชน์แก่เราจะช่วยเหลือโลกได้เยอะเพราะเราพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ออท่านพูดภาษาต่างประเทศได้ก็าจะช่วยศานสานาได้เยอะช่วยคนอื่นได้เยอะกราบหลวงตาค่ะก็รู้สึกขอบพระคุณที่ได้ มีความรู้จากช่วงเวลาสั้นๆที่ได้ศึกษากับหลวงตาวันนี้ก็จะหลัดกลับแล้วก็จะจำที่หลวงตาสอนไปปฏิบัติหนูว่าจะกลับจะถามอะไรไหมล่ะก็เมื่อวานตอนที่เดินรอบเจดีย์ะค่ะก็คิดในใจว่าพุทโธอะค่ะ แตคือว่าเหมือนกับมันไม่ไม่สัมพันธ์กันไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับลมหายใจแล้วมันก็กับเท้ามันก็คิดอยู่ตรงนี้มันก็เลยเหมือนกันสักพักนึงเหมือนมันรู้สึกเหมือนมันมันไม่สัมพันธ์กันมันพูดไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเหมือนกับว่าอ่ารับรู้สิ่งรอบๆที่เห็นเวลาเดินเนี้ยค่ะดูใบไม้หรือว่าลมมันพัดมาโดนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รั้วเนี้ยมัน เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าเหมือนกับว่ามันพยายามที่จะคิดสิ่งจะให้มันรู้เงี้ยค่ะมันก็เลยมันพูดไม่ถูกกับมันประมาณอย่างเงี้ยค่ะฟังฟังนี่ก็แล้วรู้เข้าใจขึ้นไหมลนะ่ะก็พอพอเข้าใจบ้างอะค่ะแต่ก็ไม่ทังเราไม่สามารถใช้ความคิดไปให้รู้ได้หรอกค่ะคือ เพาะรู้มเป็นธรรมาชาติของการรู้ธรรมาชาติของคิดมันเป็นจิตตสังขารมันเป็นฝ่ายสังขารปรุงแตง่งมันเป็นสัญญาเป็นสังขารในขันห้าแต่ธรรมาชาติรู้มันเป็นวิญญาณในขันที่ห้ามันเป็นธรรมาชาติคนละตัวกันเราคิดไปเท่าไหร่เราจะไปถึงรู้นั้นไม่ได้ดังนั้นเราจะไม่สามารถรู้ไปจนคิดไปจนรู้ได้ดังนั้นวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่งั้นนักวิทยาศาสตร์บรรลุวิพญานหมดแล้วเพราะว่าขันห้ามันมีรูป มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณความคิดมันเป็นสัญญาเป็นสังขารคือเป็นเอาความจำมาคิดเราจะคิดเป็นภาษาที่เราเนี่ยจำไม่ได้ไม่ได้หนูลองคิดเป็นภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษารัสเซียสิหนูคิดไม่ได้เพราะว่าหนูไม่มีความจำเราต้องคิดจากที่เราจำได้เราต้องคิดเป็นไรคิดเป็นภาษาไทยเพราะนั้นความคิดเนี่ยมันต้องอาศัยสัญญาที่เราเรียนมา เราเรียนเป็นภาษาไทยมาเราเลยคิดเป็นภาษาไทยบอกให้หนูคิดเป็นภาษาจีนดิมันคิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความจําภาษาจีนดงั้นความคิดคิดอย่างไรเนี่ยคิดสูงสุดละเอียดยังไงอ่ะเข้าถึงรู้ไม่ได้ส่วนรู้มันเป็นวิญญาณขานในขันที่ห้ามันไม่ได้คิดมันรู้เลยอย่างเช่นเนี่ยรูปมารูปผ่านมาที่รูปผ่านมาปุ๊บตาก็เห็นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องคิดมันเห็นเลยโดยไม่ต้องอาศัยคิดคือเห็นเลยแต่เห็นว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นสามีใครเป็นภรยาใครเป็นลูกใครในีต่ต้องคิดต้องจําต้องคิดมันเป็นสังขารดังนั้นความจําความคิดจึงเป็นสังขารความรู้เป็นธรรมชาติอีกตัวหนึ่งเพราะเสียงดังปุ๊บได้ยินเลยแต่จะได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรต้องใช้สัญญาและสังขารคือความคิดต้องความจําดังนั้นถ้ามีคนต่างชาติมานั่งฟังได้ยินแต่เสียงคะแนะเป็นธรรมชาติ ที่ได้ยินเสียงแต่เขาไม่มีสัญญาว่าภาษาไทยเขาเลยปรุงแต่งไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรังนั้นเราคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่ารู้มันไม่ใช่คิดคิดมันไม่ใช่รู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดก็คือต้องอาศัยมาพูดกันให้เข้าใจเนี่ยวันที่เข้าใจซะก่อนอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันคนละตัวกัน ระหว่างคิดกับรู้แล้วก็ไม่ยึดทั้งคิดไม่ยึดทั้งรู้ขั้ขนห้าเนี่ยนะไม่ยึดมันทั้งหมดเลยเพราะว่าคิดมันคือเอาอาศัยสัญญาสังขารมาคิดก็อาศัยมาจากเวทนาเนี่ยคือมาจากที่เราจําได้ก็เพราะว่าเรารู้สึกแต่เนี้ยมันประทับใจหรือไม่ประทับใจหรือเป็นกลางๆเรารับรู้มันได้คือมันเป็นเวทนาถ้าอะไรประทับใจมันก็จะเป็นสุขใจไม่ประทับใจมันก็เป็นไม่ทุกข์ใจมันก็มันก็ประทับใจมันการแต่ประทับใจได้ไม่พอใจมันเป็นทุกขเวทนา และเป็นอัฐุกกรมมรรเวทนาเป็นกลางๆเราเพราะอมีเวทนานี่เนี่ยเลยทําให้เราจําได้เราจําได้มันก็เลยคิดปรุงแต่งได้แต่เรารับรู้ได้ว่าเราคิดอะไรมีความรู้สึกอะไรมีอาการอย่างไรไอความรู้เนี่ยมันเป็นวิญญาณในขันที่ห้ารู้ต่างตาหูหมือเลี้ยกายใจมันเป็นธรรมชาติทําให้เราต้องรู้ทําให้เราต้องมีชีวิตอยู่ได้คืนไม่รู้เนี่ยตายอย่างเดียวเช่นโดนไฟช็อตก็ยังไม่รู้จักกระตุกเอามือออก เพราะว่ามันช่วยตัวมันเองไม่ได้เคียวลิ้นตัวเองก็ยังไม่เจ็บเลยมีเด็กคนใ น, ในดูในวิดีโออ่ะเด็กต่างชาติอะ่ะภระสาสัมผัสมันเป็นยังไงไม่ทราบมันเคียวลิ้นตัวเองมันก็ยังไม่รู้เลยขนาดแขนตัวเองอใครมาทำขาดยังไม่รู้เลยเลยกะกระดูกก็เดกกายาว่ามันเสียหายหมดลิ้นเล่นเนี่ยเคียวลิ้นตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เป็นยังไงของมันเนี่ยอันถ้าคนเราเนี่ยไม่มีเวทนาแล้ตาอย่างเดียวเลยเพราะว่าโดนอะไรก็ไม่รู้แต่ชักตัวเองหนี ไปเคียวลิ้นตัวเองก็ยังไม่รู้จักเอาออกเพราะมันไม่มีเวทนามันเลยไม่ต้องมีขันห้าแล้วก็มีความจํามีความคิดปรุงแต่งช่วยเหลือตัวเองให้รอดเฮ้ยมีไฟดูดแล้วเฮ้ยนี่เราเคียวลิ้นตัวเองเก็บนี่มันต้องมีครบกระบวนของมันเพื่ออาชีวิตรอดได้เนี่ยแต่รู้เนี่ยมันรู้ขึ้นมาเลยทันทีครับมันเร็วที่สุดแล้วพอเคียวลิ้นตัวเองปุ๊บเก็บมันรู้ขึ้นมาทันทีเลยมันเลยช่วยตัวเองกระตุกออกเลยโดนไฟช็อตปุ๊บมันกระตุกออกทันทีเลยเนี่ย เพราะว่ามันรู้ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องคิดไปช็อตปุ๊บไปทางต้องคิดเลยว่าอะไรมันกระตุกมันรู้ขึ้นมาแล้วอเจ็บแล้วไปช็อตปุ๊บความรู้เนี่ยมันเร็วมากเลยมันรู้ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องคิดเนี่ยไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวเข็มมาแทงตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าเจ็บเป็นยังไงอ่ะพอแทงปุ๊บมัน ก, กระชากหนีเลยโดยไม่ต้องคิดเลยเนี่ยเพราะ น, นความรู้กับ ค, ความคิดมันต่างกันหนูใช้ความคิดไปเท่าไหร่เนี่ยมันไม่รู้ เราต้องรู้ตามเป็นจริงของธรรมชาติแล้วไม่ยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วไม่ยึดทั้งผู้รู้เห็นว่าทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้เมื่อกี้ที่บอกไปอ่ะมันไม่เที่ยงทั้งหมดอะแหละไม่เที่ยงของสิ่งใดไม่เที่ยงอย่าเข้าไปยึดมนันเพราะเราไปยึดของสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะต้องเป็นทุกข์เข้าใจเนาะแต่ถ้าเข้าใจหลักาใจเป็นธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าลูกสะพ้ายใจเขาเป็นธรรมนะ มีความรู้มามาแรกมีความรู้ขเข้าใจในธรรมที่เป็นพื้นฐานเก่ามาแล้วบวกกับความรู้อันใหม่ถ้าทั้งคู่มีใจเป็นธรรมทนั้งคู่จะอยู่ด้วยกันได้ผาสุกแต่ถ้าคนหนึ่งมีใจเป็นธรรมพัฒนาขึ้นไปอีกคนหนึ่งใจเป็นโลกจะอยู่ด้วก ย, ก, ก, มมยกันไม่ได้เพราะกลัวจะแตกแยกโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นสามีภรรยาถ้าปฏิบัติด้วยกันทั้งคู่ใจเป็นธรรมด้วยกันทั้งคู่จะมีแต่ความผาสุกขึ้นไปขึ้นไปแต่คนหนึ่งเอใจเป็นโลกอีกคนหนึ่งใจเป็นธรรมเนี่ย มันจะวุ่นวายสารพัดการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาวัดคนหมายถึงว่าใจต้องเป็นธรรมไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วคนมาวัดแล้วใจเป็นธรรมทุกคนไม่ใช่อยู่ที่ไหนใจเข้าใจธรรมอย่างที่พูดนี่แล้วก็สิ้นยึดนั่นแหละคือคนที่มีใจเป็นธรรมแต่ถ้ามันยึดทุกอย่างนั่นแหละอีกคนนึงมันสิ้นยึดใจมันคลายจากความยึดไปเยอะแล้วแต่ค น, นเอาแต่ยึดยึดยึดมันก็เลยต้องทะเลาะกัน ว่าฝ่ายหนึ่งมันเอาแต่ยึดยึดยึดอีกฝ่ายหนึ่งมันมันใจมันคลายจากความยึดมันก็เลยต้องทะเลาะกันอยู่แหละเพราะวันมันฟ้ามันอะไรฟ้ากับดินมันคนละเรื่องกันงั้นอยู่ที่ไหนอ่ะเข้าใจธรรมสัจธรรมความจริงอันนี้เราทิ้นยึดไปเรื่อยๆอันนั้นเน่ยเขามีใจเป็นธรรมแล้วมันจะเป็นว่ามาอยู่วัดมาหมผ้าเหลืองมานั่งหลับตาสมาธิที่นี่มันจะจงกรมจะช้าที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนให้ใจสิ้นยึดไปยึดอะไรก็ให้รู้เท่าทันว่าความยึดมันเป็นทุกข์ ก็ปล่อยวางลงไปไม่ยึดก็ไม่ทุกยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยสิ้นยึดก็สิ้นทุกเหลือแต่แค่สัตวารู้สัแต่วารู้ตั้งตาหูจหมูกลิ้นกายใจในทุกขณะปัจจุบันสักแต่ว่ารู้หรือรูซ้ซื่อสัตวารู้ไม่เข้าไปยึดสิ่งใดแล้วก็ทําหน้าที่ต่อการโดยสมบูรณ์แค่นั้นเองเข้าใจไหมฟังเขาเข้าใจไหมเราอเข้าใจเนาะอ มีใครไม่เข้าใจตรงไหนเมื่อล่ะเอ้ยนั่นล่ะนั่งอย่านั้นนะเข้าใจไหมล่ะรู้เคยใช่ไหมว่าไงเข้าใจป่ะอือฟังนี่เข้าใจมีอะไรถามไหมไม่มีเอ้ยแล้วเดินล่ะไม่มีอะไรถามเหรอมาจะถามอะไรอ๋อเราก็ใจดีแล้วนะเนาะได้ไหมเนาะอ่อจะได้ไปแ่งสือต่อยอดเรื่มที่สี่ได้ พอเข้าใจแล้วตอนนี้แต่งได้แล้วเลมที่สี่ไอใจมันเป็นอย่างที่เข้าใจแล้วก็แต่งตืได้แล้วเล่มที่สี่เราอ่านแล้วล่ะสามเล่มเราอ่านหมดละอันไอ้ไอ้เล่มที่สามมันเริ่มแต่งวนวนวนเราเลยไม่ค่อยอ่านเพราะมันวนวนวนไปงานมันเหมือนทายเรือในอ่างมันยังหาทางออกไม่ได้คอะเราอ่านแล้วมันยังไม่เข้าถึงหัวใจเขาไม่เข้าถึงใจสิปล่อยวางมันต้อง แต่งเล่ที่สี่ใหม่รพูดแต่อยวแต่วิธีื่ออะไรเนี่ยทำอย่างไรจะเรียนรู้ได้อย่างไรอ่ะมันต้องเรียนรู้จากการับอารมณ์หนาีการตอบเรานมันเรียนรู้เรก็เรียนรู้นี่นะเรียนรู้จากที่เขาไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์ยึดอะไรก็เป็นทุกข์น่ะคือมันเรียนรู้จากสมุทัยแล้วทุกข์ แ ล, แล้วก็เรียนรู้เห็นจิตที่มันเข้าไปยึดมันได้สักแต่ว่รูมันก็ไม่ทุกมันก็เรียนรู้ว่าถ้ามันสักแต่ว่ารูมันก็จะไม่ทุกถ้ามันไม่ไปยึดอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ทุกอ่ามันก็เรียนรู้จากของจริงอันนี้แ่ะคือเข้าไปยึดอะไรมันก็เป็นทุกไม่ยึดมันก็ไม่ทุกแล้วมันก็เลยเห็นว่าสังเกตดูว่าเออมันทํำไมไปยึดเขาแล้วมันก็จะละเขาได้ได้เหตุใจมันก็เรียนรู้จากสมุทัยเนี่ยแหละทุกสมุทัยที่โลดมาอายุสี่เนี่ยแหละทุกขณะปัจจุบันอ่าม ไปจับอะไรแม้แต่ว่าไอจับภายนอกมันยิ่งมันยิ่งหยาบแล้วจับลูกจับเมียจับสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องมันก็ต้องมาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมจนจับอารมณ์สมาี่จับฌานละเอียดก็ไปจนถึงอารมูปฌานก็ยังจับหมดเลยแล้วที่สุดแล้วก็มาปล่อยเริ่มปล่อยวางปล่อยวางเอ่อเริ่มปล่อยวางก็ปล่อยวางจับภายนอกเข้ามาจนถึงละเอียดเข้ามาแล้วถึงอารมูปฌานอารูปฌานละเอียดที่สุดก็ปล่อยวางปล่อยวางจนกระทั่งมันจะหลุดจากเวทนาได้กายเวทนา ตนนี้มันปล่อยวางจนถึงความว่างความโปร่งรูปเบาสบายว่าง <único Liberty Overwatch> คนเราไม่ปล่อยตรงเนี้มันไม่เห็น <Alright> ว่าไม่เที่ยงพอเข้าฌานแสดงรูปฌานอะรูปฌานว่าขนาดไหนก็ไม่เที่ยงมันจึงเห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงก็ปล่อยวางไปอีกแล้วไปเห็นจิตที่คิดในทุกคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่เข้าไปยิบไม่ไม่หลงไปตามปล่อยวางก็คือสักแต่รู้จิตที่คิดทุกคิดไม่หลงไปตามความคิดไม่พยายามไปดับความคิดสักแต่รู้ทุกคิดไม่พยายามได้ดับความคิดไม่หลงไปกับความคิด มันก็เลยสักตะวารุคือสักตะวารุหมายถึงว่าไม่หลงไปกับความคิดเราไพยายามไปดับความคิดแต่แต่สักตะวารุทุกคิดมันก็เลยปล่อยวางจิตได้อีกแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มารักษาตัวมันเองคือผู้รู้เออมันก็เลยหลงหลงผู้รู้อีกมันยึดผู้รู้ไว้มันปล่อยวางอย่างอื่นหมดแล้วแต่มันไม่ปล่อยวางตัวมันเองผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันมันก็เลยต้องปล่อยวางตัวมันเองอีกทีมันปล่อยเองไม่ได้ก็โดนผีผักเลยโดยทวดาผักหรือใครผักก็รู้ยันตูมเลยนี่ว่าเทียน ฝักโคลมไปวางได้เลยนี่ต้องยันนีคนอื่นมาช่วยยันเนี่ไม่ปล่อยทัาที<ม>วางตุมเอ้ยผู้รู้กับปุงแต่งนี่หว่าเนี่ยวางได้เลยว่างแจมเข้าใจแม่ฟังเนี่ยค่ะฟั้งค่ะหลงตาคือจมเอ่อเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะที่เคยหลวงตาเคยพูดถึงเรื่องการปรุงแต่งอะคะ่ะ แต่ก็ไม่เคยเห็นหรอกค่ะว่ามันคือรู้ว่าปุงแต่งเป็นยังไงแต่ว่าไม่เคยเห็นจัดจ้านมีวันหนึ่งแบบอ่านบทความเออ่บทความหนึ่งอะค่ะที่เกี่ยวกับอคนแก่ที่ลูกเขาจะเอาคนแม่เขาไปทิ้งคือใจมันก็เศร้ามากเลยนะคะสนุ่มสามก็คือมันใจมันก็สลดมากเลยพอใจสลดปุ๊บแตงกาคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันมันเหมือนกับว่ามันพอมันพอมันเห็นความมันเศร้าปุ๊บ พอบอกให้มันคืออะไรมันก็กระเด้งขึ้นมามันก็หลุดออกจากความเศร้ามันก็บอกเอ้ยเอยตรงนี้คือเป็นการที่เราแบบว่าคิดแล้วก็ไปคือพออ่านปุ๊บแล้วก็ไปอินไปปรุงอะค่ะแล้วพอเสร็จก็ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าถ้าเผื่อมันไม่ปรุงปรุงกับไม่ปรุงเป็นยังไงมันก็แยกไปให้เห็นนะคะว่าอยู่ที่เราจะเลือกว่ามันจะปรุงหรือไม่ปรุงอ่ะค่ะ พอปรุงมื่อแล้วมันก็จะไปอินมันก็จะทุกข์มันก็จะไปสุกอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอมันไม่พอมันแยกออกไปต่างหากก็คือการไม่อินเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นอิสระของมันนะคะในความรู้สึกแต่ว่าการที่เราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันเป็นการย้าคิดย้าทาไปไหมคะมากไปดูเพื่อเรียนรู้ได้ดูเพื่อเรียนรู้บทเรียนที่ผิดพลาดแล้วก็หลุดออกมาได้ได้ไม่ได้ ก็จะไม่ให้กลับไปเดินทางเก่าค่ะคือให้เขาจะให้เรื่องว่าเอออยากทุกข์ก็ไปปรุงเองคือบทเรียนค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะไม่กลับไปเดินทางเก่าค่ะสุดอมอนแล้วก็จะไม่กลับไปอีกก็คือเรียนรู้อะไรให้ได้สติย้อนกลับไปกลับมาเดี๋ยวทางใจมันรู้สึกจริงๆเข็ดขยดะดเ่็นการเข้าไปจับอะไรให้เป็นทุกข์ลงไม่ปล่อยให้สติหลงไปจับโน่นจับนี่ให้เป็นทุกข์อีกต่อไปคือ ต้องเรียนรู้ sự. อันนี้ยคือต้องควรจะต้องเรียนรู enza, ้ด้วยซ้ําไปไม่ใช่ว่าปล่อยปะดละเลยในการเรียนรู้ว่าเจ็บแล้วต้องจําำบางคนเจ็บแล้วไม่จําก็ไปไปไปเจ็บอย่างเก่าซ้ำอีกเจ็บอย่างเก่าซ้ํำอีกหลายปีก็ไม่ไม่รู้จักจําก็มีอือันนี้ยอย่างเนี้ถือว่าดื้อด้านดื้อด้านคือเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกก็ยังไม่ปล่อยวางสักทีเพราะว่าไม่เรียนรู้เนี่ยไม่เรียนรู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วไม่ปล่อยวางมาแล้วก็ไม่เรียนรู้ว่าเออเราเราเราเคย เราเคยทุกขถึงขนาดนั้นเคยไปจับขนาดนั้นออกมาแล้วเราก็หลุดออกมาได้อ๋อหลุดได้เพราะเหตุนี้ก็ยอมเรียนรู้เนี่ยพอไม่เรียนรู้พอไม่เรียนรู้มันก็กลับไปอีกเพราะว่าไม่เรียนรู้ที่ผิดพลาดพอไม่เรียนรู้ผิดพลาดก็ผิดพลาดอีกผิดพลาดแล้วไม่เรียนรู้ของความผิดพลาดก็ผิดพลาดอีกเพราะว่ามันไม่เรียนรู้嘛ผิดพลาดแล้วก็ปล่อยป่าละเลยแล้วก็เพลินเพลินเจริญใจไปเรื่องอื่นเลยผิดพลาดแล้วปล่อยป่าละเลยแล้วเพลินเพลินเจริญใจไปอื่นตอนนี้เมื่อไม่เรียนรู้ความผิดพลาดมันก็ผิดพลาดอีกแม้แต่ในการทํางานทางโลกทำงานบริษัท ถ้าผิดพลาดแล้วไม่เรียนรู้ถึงความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วแก้ไขความผิดพลาดบริษัทนั้นไม่ช้ากับเจงประเทศชาติก็เหมือนกันถ้ามีความผิดพลาดในเรื่องใดแล้วไม่เอาความผิดพลาดมาเรียนรู้กลับไปผิดพลาดอย่างเดิมอีกจนได้นี่ยคนทุกคนก็เหมือนกันทั้งประเทศชาติทั้งทั้งหน่วยงานทั้งธุรกิจตัวเราเองก็เหมือนกันเราผิดพลาดในสิ่งใดแล้วเราไม่เรียนรู้ความผิดพลาดจะกลับไปทําผิดพลาดซ้ำๆอย่างนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ พอถึงวันห้าปทนวามหาราชก็จะมีอภัยโทษนักโทษออกมาแล้วไม่เรียนรู้ถึงความผิดพลาดความเจ็บปวดที่ทำให้คนอื่นต้องไปทุกเดือดร้อนตัวเราต้องไปทุกเดือดร้อนพ่อแม่ต้องไปทุกเดือดร้อนกาะเราเนี่ยต้องน้ําตาไหลเข้าไหลออกไม่เรียนรู้ความผิดพลาดตรงนี้ออกมาแล้วก็ไปทําความผิดอีกแล้วกลับเข้าไปกระบทนักโทษก็ต้องกลับเข้าไปยังเก่าอีกเพราะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดตรงเนี้พวก อ, อย่างเงี้ยดื้อด้าน เรเจ็บเราไม่รู้จ <white> ักเรียนรู้ความผิดพลาดอย่างเก่าของตัวเองแล้วก็ทุกอย่างเก่าทุกอย่างเก่าทุกอย่างเก่าอยู่นั่นแหละทุกอย่างไงเคยทุกอย่างไงก็ทุกอย่างนั้นแหละซ้ำซากเรียกว่าดื้อด้านอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เรียนรู้ความผิดพลาดไม่เรียนรู้ความหลุดออกมาว่าผิดพลาดแล้วหลุดออกมาได้ยังไงผิดพลาดแล้วหลุดออกมาได้ยังไงเรียนรู้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันจะเจริญจะก้าวหน้ามันก็เหมือนกับการทำในห้าสอระบบของไอ้ทางธุรกิจทางไอ้บ้านเมืองอะไรทำห้าสออ่ะสะอาดสะดวกสะอาดสุรณาร้างนิสัยอ่ะมันก็คือ ต้องสะสางจากของเก่าวิกตินิ่งเดยจากไออ่ะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยความผิดพลาด ท, ที่เรามีมาทั้งหมดเนี่ยความสกรปรกความไม่สะอาดมันเป็นยังไงไอความไม่สะดวกในการทํางานไม่เป็นเพราะอะไรทําให้ติดๆกันๆสระสางวิกตินิ่งเดยแล้วก็ถ่ายรูปทําแล้วก็ทํารายงานทำรายละเอียดไปก่อนเก็บรายละเอียดไว้หมดก่อนแล้วพอสะสางเสร็จเราก็เริ่มลงมือทําแก้ไขแก้ไขลงมือทําแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนั้น ในสิ่งที่มันสกปรปกในสิ่งที่ทําให้ไม่สะดวกไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดความรวดเร็วไม่คล่องตัวมาติดขัดที่ตรงไหนไม่ลื่นไหลเสร็จแล้วก็สาสานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาตั้งว่าสาสานอย่างไรคือก่อนทําขณะทำแล้วก็หลังทําผลออกมาเป็นอย่างไรทีการประเมินผลแล้วก็ถ่ายรูปเก็บรายละเอียดไว้ประเมินผลแล้วก็ต่อมาแล้วแต่ว่าจะตั้งกันกี่เดือนหรือกี่เดือนก็เริ่มทําอย่างนั้นใหม่แต่ทําจากของใหม่ เรียนรู้ถึงความผิดพลาดอันใหม่เองว่าหลังจากทํามาแล้วระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาอีกหลังจากที่มีการแก้ไขามาแล้วหกเดือนมีความผิดพลาดอะไรอีกกลับไปผิดพลาดซ้ําไหมหรือผิดพลาดใหม่เกิดขึ้นมีความผิดพลาดอะไรใหม่เกิดขึ้นในบุคคลในเครื่องจักรในหน่วยงานในสถานที่ในเกี่ยวกับเรื่องระบบการเงินมีความผิดพลาดอะไรขึ้นก็เอามาสั่งกันอีกก่อนทําขนาดทำหลังทําและต่อไปอย่างเงี้ยเลื่อยไปก่อนทําขนาทําหลังทําก่อนทําขนาดทาหลังทำมันก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเนี่ และจิตใจเราก็เบียดแบบเดียวกันเราต้องผิดพลาดแล้วก็ต้องเรียนรู้เนี่ยก่อนที่จะทุกข์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาทุกข์ทุกข์แล้วก็สั่สานจนหายทุกข์ว่เหตุใจนะมันจริงหายทุกข์แล้วก็จาบทเรียนนี้ไว้แล้วก็ทํามันใหม่พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยเอามีไหม่ะมันไม่กลับไปทุกข์อย่างเก่าแต่มีมีความทุกข์อย่างใหม่อีกไหมหรือว่ามีความทุกข์อย่างเลือดอีกของทุกข์หยับๆไม่ทุกข์แล้วหรือว่ากลับไปทุกข์อย่างเก่าอีกทุกข์อย่างเก่าทุกข์อย่างเเกกกกก่่ออวมีททุุยไแลลลตปะะด เรื่อทุกอย่างหยาบๆกลางๆเอ้กาก็เอา้เอาบิกินิ่งเดชเจอตัวเรานี่แน่ทําความสะสาดสะอาดสะดวกสุขขนาสใส่สร้างนิสัยสมัยให้มันะ่ะไม่กลับไปทําพฤติกรรมอย่างเก่าคิดอย่งางเก่าพูดอย่งางเก่าแล้วก็เอาความทุกอย่างใหม่ก็จะดับไปอีกเนี่ยก่อนทํา็นะหลังทำเราจะทำแล้วต่อไปก็ประเมินผลตัวเองไปเรื่อยๆว่ามันยังกลับไปทุกอย่างเก่าไหมยังถึงขั้นหยาบเลยไหมหรือว่าไอ้ทุกอย่างกลางที่เราละ ม, มาได้แล้วมันยังกลับไปอีกไหมหรือว่าเรามาทุกอย่างละเอียดละเอียดเอ้าล้วก็ มาบิกินนิ่งเดของเราเนี่ยนะคือมาละความทุกข์อย่างละเอียดเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์อย่างละเอียดก่อนทําขณะทำหลังทําอีกทำอย่างนี้ยพฤติกรรมอย่างนี้ในใจเราเลื่อนไปเป็นการศึกษาเรียนรู้ทาความเข้าใจแล้วก็จดี๋ยวตั้งมาสารวจอันสุดท้ายว่ามีอะไรไหมที่มันยังทุกอยู่เนี่ยตอนที่มันละหมดแล้วแต่ทําไมมันยังมันยังทุกอีกตอนที่มันบิกินนิ่งเดมันทุกอย่างละมันทุกอย่างแล้วมันทำไมยังทุกอีกแกมันทำไมยังไม่สิ้นทุกเนี่ย เอ๊ ه, มันเป็นทุกข์อะไรเนี่ยก็ต้องมาสำรวจรจริงๆจงกระทั่งว่าร่างกายตัวเองก็ไม่ห่วงใยแล้วตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไอความรู้สึกไอคิดอารมณ์ที่ไปจับสบายไม่สบายมันก็ไม่มีแล้วไปเกียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชามันก็ไม่มีเอ๊แต่มันยังทุกข์กับอะไรนาะ ย, ยังทุกข์กับอะไรนาะเนีย่ยเรามันสำรวจจริงๆว่าเราทุกข์กับอะไรเนี่ยทําไมเราทุกข์ไม่เลิกเปลาทุกข์จริงๆแสงสาหัสเลยนะคือทุกข์อะไรทุกข์อยากได้ผลิพาน ทุกอยากได้พระนิพพานเราไม่ได้พระนิพพานอย่างใจสักทีเราเลยโมโหอะไรครับแค้นใจมันเลยทานบัลลโกโเกเป็นทุกข์มากเลยเนี่ยเราอยากได้พระนิพพานเราเลยเห็นว่าโทษของไอความอยากการนิพพานเนี่ยเป็นทุกข์จริงเมื่อเราเห็นโทษมันเนี่ยเราจึงยอมวางแต่เราไม่เห็นโทษมันเนี่ยว่าทําไหมนิพพานเนี่ยมันคือความสิ้นทุกข์ คือความพจากทุกข์แต่ทําไมเราอยากได้พระนิพพานจะเป็นทุกข์แสดงว่าไม่ถูกแล้วเนี่ยแสดงว่ า, าไอ้ที่เราเนี่ยไม่ได้เราเนี่ยไม่สิ้นทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากนิพพานเนี่ยถ้าเราเนี่ยตัดความอยากได้พนิพพานไปเนี่ยความสิ้นทุกข์มันก็หมดลงพระนิพพานเมืเกิดตรงไม่ว่าไปได้อะไรไม่ใช่ไปได้นิพพานคือเราสิ้นทุกข์กันแน่เขาเรียกว่าพระนิพพานก็คือเราเนี่ยไม่ไปอยากได้นิพพานเราก็จะสิ้นทุกข์พอสิ้นทุกข์เนี่ยมันคือพระนิพพาน แต่ท่าเราเนี่ยคิดว่าเราจะไปได้ไปนิพพานมันก็ทุกอยู่นน่แน่เพราะว่ามันไม่มีทางได้หรอกมันต้องเห็นโทษว่าเพราะไอ้ความอยากได้ไปนิพพานเนี่ยมันจะเป็นทุกแต่สาหัสเนี่ยมันพ้นมันหมดทุกอ่ะไปนิพพานคือความพ้นทุกเป็นอย่งทุกอยู่แล้วมันจะไปได้มันจะเป็นนิพพานได้ไงเพราะนิพพานมันคือหน้าเดียวกับทุกนี่แหละมันไม่ใช่ว่าตัวเราไปได้อะไรหรือตัวเราไปถึงอะไรหรือตัวเราไปบรรลุอะไรก็คือมันหน้าทุกนี่เองอ่ะพอสิ้นทุกปุ๊บก็เป็นนิพพานอัตโนมัติคือนิพพานมันล่เยยอู หน้ามือกับหลังมือเนี่ยมันพลิกคนละด้านกันคือพอเส้นทุกมันก็เส้นยึดมันก็เลยเส้นทุกเส้นทุกก็ไม่รู้วันนี้านเนี่ยมันไม่มีหรอกตัวเราไปได้อะไรไปถึงอะไรไปรู้อะไรไม่มีหรอกก็คือเราก็ต้องมาสํารวจว่าเราจะทุกข์อยู่กับอะไรสํารวจจริงๆอยู่กับทั้งรู้ว่าอะไรที่เรายังยังยังอยากได้อยู่ไอ้นั่นแหะทําเราเป็นทุกข์ถ้เรื่งอยากได้เราก็วางความอยากได้ไปเพราะเราเห็นโทษมันว่าไอ้นี่ยพร อ, อยากได้นิพพานเนี่ยมันติดทุกข์แต่งสาหัสและความทุกข์มันจะดับไป มันถึเป็นนิพพานแต่ยังทุกอยู่อย่างนี้มจะเป็นนิพพานได้ยังไงเอออย่างเงี้ยมันก็เอาเหตุผลมาสู้กับมันอยู่ต้องนานนั้นไม่ใช่จําจะยอมง่ายๆความอยากได้มันก็อยากได้อยู่นั่นแหละเจ๋ยวถ้ามันยอมได้เหตุผลไปเรื่อยๆใจมันค่อยๆอ่อนลงยอมได้เหตุผลคือมันยิ่งดิ้นมากก็ยิ่งทุกมากยิ่งดิ้นมากก็ยิ่งทุกมากไว้แล้วมันเลยเห็นว่าความทุกข์ก็เพราะความดิ้นโลนอยากได้เป็นพิพพานนี่เองมันก็เลยยอมยอมยอมเพราะมันหมดวันทางยอมเพราะมันหมดวันทาง หมดหนทางที่จะไปทางอื่นแล้วมันต้องยอมวางที่จะอยากได้ผลิตภัณหลายคนก็มาเถียงเราต่อยเหมือนก็เหมือนกงการโกงเรียนเป็นเรียนโทหลายคนก็มาเถียงเราต่อว่าอาจารย์เมื่อมันยังไม่ได้แล้วอาจารย์บอกให้วางแล้วมันจะได้อย่างไอมันต้องได้ซะก่อนเนี่ยมันถึงจะรู้เองได้แล้วมันถึงยอมวางใจอ่ะแล้วยังไม่ได้แล้วอาจารย์บอกให้วางแล้วมันจะไม่ได้อย่างไรเออมันยังไม่มันยังไม่วางมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่วางมันยังไม่พ้นทุกข์นะ มันก็เหมือนกับเส้นยแดงฝ่าแปดเนี่ยอวันนี้ความพทุกข์มันก็อยู่ตรงทุกข์นี่แหละถ้าเราวางวางเหตุที่เราไม่เป็นทุกข์เราไปยึดอะไรเป็นทุกข์ก็ได้เราวางมันหมดสิ้นความพทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงทุกข์นี่แหละไม่ได้ไปได้อะไรหรอกไม่ได้ไปถึงอะไรไปไม่ได้ไปเป็นสภาว่าอะไรหรอกของมันเองมันไม่ใช่ไปบังคับให้วางวางก็ราะเห็นโทษนะวางเพราะเห็นโทษคเห็นโทษมันถึงยอมวาง ไม่เห็นโทษไม่วางเราคนเราอ่ะมันเห็นว่าแต่เป็นความสุขมันก็ไม่วางหลักมันเห็นโทษคือเป็นความทุกข์ไว้ยเราจะทุกข์คาอยู่ทำไมเนี่ยมันยิยอมวางเรายึดอะไรให้เป็นทุกข์อ่ะเราเห็นโทษมันเนี่ยเราทุกข์กับสิ่งที่เรายึดเราก็ยอมวางนะถ้าคนยังเห็นว่าเป็นความสุขมันก็ไม่วางหลักเพราะว่าก็เห็นเป็นความสุขนะพระเจ้าบอกให้นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าความทุกข์เป็นความสุข ทะเลาะกันตบตีกันทะเลาะกันเตะกันอะไรกันอยู่อย่างนั้นแหละล้อมกมันบ้างด่ากันมัางกระแทกกระทันกันม้างแต่เห็นว่ามันมันสุกๆมันมันมันไม่เห็นเป็นความทุกข์มันก็ยังยังสุกสุกเดิมๆอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่พ้นทุกข์ได้เออแต่เห็นว่าใจที่เราไปยึดเขามันเป็นความทุกข์ต้งยอมวางวางไว้ได้วันนี้ออกไปไหนแนวตัวนี้ไปไหนคือเราทําหน้าที่ที่สมบูรณ์แต่ใจวางเขาปล่อย ว, วางเขาให้ชดใช้กรรมเป็นชาติสุดท้ายให้จบไป การมาพบกันก็คือชดใช้กรรมชดใช้กรรมกรรมต่อกันถ้ยังติดลักติดชังต่อกันไปอาคาดแคนเขาพอเขาไปมีเมียน้อยไปอาคาตแคนเขาหรือเขาด่าว่าไปอ า, คาแค่แคนเขาหรือติดลักเขามันก็ต้องไปมีกรรมต่อกันต่อไปก็คือการกรรมมาเกิดร่วมกันมาเป็นครอบครัวกันมันอยู่ด้วยกันมันมีกรรมร่วมกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจมันสิ้นแล้วคือทาหน้าที่ที่สมบูรณ์ชดใช้กรรม แต่ใจสิ้นยึดเพราะว่าพัฒนาความพทุกข์ในปัจจุบันใจมันเลยเห็นโทษของการไปยึดแล้วก็ทําหน้าที่แต่ใจไม่ยึดเพื่อเลยทาหน้าที่ในความพ้นทุกข์ในปัจจุบันวันนี้นับว่าอธิบายละเอียดมากนะทุกแง่ทุกมุมเพราะเห็ด็ตรมานั่นเนี่ยดรมาเลยอธิบายสมให้สมกับด็อตอร์หน่อยละเอียดทุกแงม่มุมทุกทุกเหตุทุกผลเลยเอาซักเราให้มากๆเข้า เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจหมดแล้วอจะได้พักผ่อนแล้วจะจะกลับวันนี้หรือว่ากลับเลยเหรอผ่พันแล้ ว, ลวก็เดี๋ยวเราก็ไปกาับจะดีผ่านกันไปข้างบนจะเม็นเย็นเปิดประตูวัดสบายทำความเพี่ยนไปพิจารณาทบทวนกําลังฟังเราไปใหม่ๆทบทวนให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเลยกลับมาทบทวนอีกึง วันเวลาที่เราใช้ชีวิตผ่านมาจะถึงในวันนี้จุถึงวันนี้จะถึงมาเราเข้าใจในวันนี้ฟังแล้วจะปล่อยผ่านเลยทบทวนถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาเอามาทบทวนในปัจจุบันได้เราจะได้ไม่กลับไปผิดอีกไม่กลับไปหลงอีกเพราะว่าตอนนี้กําลังเข้าใจใหม่นะ